ฉิมพัลีจะมหานามังสัพพะลาพังพระวิสติเถรัสสานุภาเวนะสัตตาโหณติปิยังมะมะฉิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังพระวิสติเถรัสสานุภาเวานะสัตตาโหณติปิยังมะมะ ชิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังพระวิสติเถรัสานุภาเวานะสัตตาโหติปิยังมะมะฉิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังพระวิสติเถรัสานุภาเวานะสัตตาโหติปิยังมะมะ ชิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังพะวิตติเถรัสานุภาเวนะสัทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังพะวิสติเถรัสานุภาเวนะสัทาโหนติปิยังมะมะ